บุกทูยี่สิบห้าดวายเซตอปตดวายตอปตในเมืองวูกรัตวกรัตดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟดิซาคกล ไปสักลาคอนเจเลสไนต์ช์กตา т а ันนิตซาดิฉันต้องการไปที่สนามบินไป а ักลาคอนไอโรดรอโมตดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองไป ВО ц е н т а น о т НА ด р а д о т บิสคาลาวุตินตารุตนากราดต์ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะค่าก็จะสติ н กน้ำโดเจลิสไนต์กัตตาสตานิ่ฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ а ่าก а จะสติ๊ м น้ คติดไอโรมตดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ่ะสติดตารติดเนตร์รถนตดิฉันต้องการแท็กซีม่มบี่รากซี่ ดิฉันต้องการแผนที่เมืองมี т р е б а a r t a า ร, รด์มี т a r t a น่ากราดตดิฉันต้องการโรงแรมมี т р е б а hotel มี т р е б а hotel ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ b i c l อ еден автомобил. Бисакала да изнајмам еден автомобил. н и бат кредит оди чан ка. Еве ја мојата кредитна картичка. Еве ја мојата кредитна картичка. Ние бай кабки оди чан ка. Еве ја мојата возачка дозвола. เอเวยาม а วยตาวู в า д กาดูสวลาในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะคุณไปเมืองเก่าสิคะ คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะคุณไปที่ท่าเรือสิคะไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ หนึ่ e การเดินทางรอบๆคุณจะทำหนึ่งการเดินทางรอบๆยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะใครดุริษฐ์น่ารู้จักที่น่าสนใจอีกไหมคะใครดุริษฐ์น่ารู้จักที่น่าสน т จกรุาไปที่